วันนี้ <c oughs> ก็เป็นวันสำคัญนะของเราชาวพุทธเป็นวันที่ผู้คนได้พร้อมใจกันมานะทำบุญด้วยการนะถวายทานก็ดีรักษาศีลก็ดนะีแล้วก็โดยการภาวนาเพื่อสมกับที่เป็น วันบุญสำคัญนะในพุทธศาสนาแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ใช่เป็นแค่วันที่ควรแก่การมาทำบุญตามประเพณีของเราชาวพุทธนั้นแต่ควรจะเป็นวันที่เราได้มาใคร้ครวนนะถึงความสำคัญของเหตุการณ์ ที่มีความหมายอย่างยิ่งนะต่อจะเรียกว่าไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของชาวพุทธนะแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของชาวโลกทีเดียวเพราะว่าเมื่อ2600กับอีก2ปีนะที่ประเทศอินเดียป่าอิสิปตนาะเมลกัทยวันนั่นเป็นสถานที่ที่หนทางอย่่งอิสรภาพ ได้ประกาศเป็นครั้งแรกโดยพระบรมศาสดาก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีผู้รู้เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าท่านไม่แสดงธรรมท่านไม่สอนเรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธเจ้านะพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านบรรลุถึงอิสรภาพแล้วพ้นทุกข์แล้ว แต่ว่าท่านไม่เผยไม่แสดงหนทางแห่งอิสรภาพนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานีไม่เพียงแต่ทรงค้นพบหนทางแห่งอิสรภาพแต่ว่ายังนํามาประกาศนํามาเผยนํามาแสดงด้วยการสแสดงนะ บทเทศนาธรรมจักกับประวัตนาสูตรอย่างที่เราได้ได้สาธยายเมื่อสักครู่แล้วขอให้รู้ว่านั่นแหละนะคือแผนที่สู่การดับทุกข์เป็นแผนที่ที่นำมนุษย์ไปสู่อิสรภาพนะถ้าผู้ภาษาสมัยใหม่ก็คือ Road m นะ เป็น Road Map เลยนะ Road Map ที่ว่านี่น ะ, ะมันไม่เคยมีมนุษย์คนไหนได้ค้นพบมาก่อนก็มีพระพุทธองค์นี่แหละนะที่ทรงไม่เพียงแต่บรรลุ ด, ด้วยตัวพระองค์เองแต่ว่านำมาแสดงอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบเมื่อเราได้สวดแล้วก็พิจารณาตาม ก็จะเห็นลำดับนะของรถแม p นี้นะมนุษย์เรานะถูกครอบงาด้วยความทุกข์มาช้านานนะเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์หรือตั้งแต่ก่อนที่จะครองร่างมนุษย์ซะอีกคือตั้งแต่ยังเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ มนุษย์เหล่านี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์ชั้นสูงแต่ว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ยังถูกครอบงำด้วยความทุกข์อย่างที่เราได้สวดมนต์ธรรมวัชชาทุกวันมีข้อความตอนนึงว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ครอบงำแล้วความทุกข์ที่ว่านั้นคืออะไรนะ คือเมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บป่วยความพักรากสูญเสียความโศก ค, ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจและสุดท้ายก็จบลงด้วยความตายนะมนุษย์คนแล้วคนเล่านะก็ต้องประสบชะตา ก, กรรมนี้ ไม่ว่าจะร่ำรวยยิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดินะที่มีชื่อเสียงในปอะวัติศาสน้อยจะเป็นอเล็กซานเดอร์ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าอาโศกหรือว่าจักรพรรดิตามมาอีกมากมายแม้แต่ผู้ที่นะมีอำนาจเหนือชีวิตของผู้คน อย่างคนที่สร้างทัชมาฮาลนะชื่อชาชานายิ่งใหญ่แค่ไหนก็สุดท้ายก็จบลงนะด้วยความทุกข์อย่างเช่นชาชานานี่ก็ตายในคุกถูกลูกชายคือเอารังเซ็นะเป็นผู้ที่กระทำปิดตุค่า อารังเซเองเมื่อแม้จะยิ่งใหญ่แค่ไห น, เ, นเมื่อจะตายเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกั น, เ, นเขาก็พร่ำเพรอเวทนาพร่ำครวญ เ, เหมือนกับว่าชีวิตมันมีแค่นี้เองหรืออันนี้เป็นาชะตากรรมของมนุษย์ไม่ว่าร่ำรวยยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่ว่าในที่สุดน ะ, ะประตูสู่อิสรภาพนะั้นมันก็เปิดขึ้นจากการที่พระพุทธเจ้าได้ไดเผยได้แสดงหนทางสูอส่อิสรภาพอิสรภาพจากอะไรอิสรภาพจากความทุกข์นะคือแม้คนเราเกิดมาแล้วยังต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องพลัดพรากสูญเสียและต้องตายในที่สุดแต่ว่าสามารถจะยกจิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือว่าแม้ทุกกายอย่างไรเพราะถูกบีบคั้นด้วยความแก่ความเจ็บความพลัดพรากสูญเสียและความตายแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์ด้วยไม่มีใครหนีความทุกข์ ที่ว่ามาก็จริงนะแต่ว่าจิตใจสามารถที่จะไม่เป็นทุกข์ได้สิ่งที่พระเจ้าทรงประกาศนำแสดงนามาแสดงคืออิสรภาพทางจิตใจนะซึ่งถ้าเป็นการบรรลุถึงอิสรภาพที่สมบูรณ์ก็หมายความว่าแม้กระทั่งความแก่ความเกิดและความตายก็เป็นอันยุติ นะไม่มีเกิดไม่มีตายอีกต่อไปเพราะตราบใดที่ยังเกิดนะมันก็ต้องเจอความทุกข์อยู่ร่าไปและความเกิดนั่นแหละก็เป็นทุกข์นะนะเรานึกภาพนั้นเด็กที่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยเขาทุกข์เขาทรมานแค่ไหนนะเขาตื่นตกใจนะ ที่โชคถ้าโชคดีก็รอดส่วนใหญ่ก็โชคดีคือรอดแต่ว่าก็มีจํานวนหนึ่งที่ไม่รอดนะหรือถึงรอดมานะไม่ว่าจะมีพ่อแม่ร่ารวยแค่ไหนก็ยังต้องเจอความทุกข์อย่างที่ว่ามาจึงต้องถูกครอบงาด้วยความโศกความล่าไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคัดแค้นใจ แต่เมื่อใดก็ตามที่สามารถจะเข้าถึงอิสรภาพที่ว่าเนี่ยอิสรภาพทางใจนะก็ไม่มีเชื่อให้ไปเกิดอีกต่อไปนะหลุดเพราะว่าหลุดพ้นจากวัตฏสงสารแล้วนะอิสรภาพที่ว่าไม่ใช่แค่อิสรภาพจากความทุกข์นะแต่ว่ามันยังหมายถึงความหลุดพ้นจากวัตฏสงสารนะที่เป็นเหมือนกงขัง ครอบงำชีวิตมนุษย์ไม่ว่ า, าครอบความชีวิตมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าอยู่ในขันใดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยวันอาสาละบูชานี่มันจึงเป็นวันสำคัญที่เราควรจะใคร้ควรวนนะเพื่อเข้าใจและเห็นถึงความหมายของวันนี้ ซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมาถามตัวเราเองด้วยว่าแล้วเราจะมีชีวิตอย่างที่เรามีอยู่คืออยู่ไปวันวันหรือว่าอยู่เพื่อเสพสุขไล่ล่าหาทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงกตยศเสร็จแล้วก็แม้ได้มาประสบความสำเร็จก็ยังเจอความทุกข์ ถูกความทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งถึงวันสิ้นลมเราจะอยู่แบบนั้นหรือหรือว่าเราจะทำมากกว่านั้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพนะที่จะเข้าถึงความสุขแล้วก็ชีวิต ท, ที่ประเสริฐกว่านั้นได้ ให้เราพิจารณานะบทสวดหรือว่าคำเทศนาของพืชจัจเจ้าที่เราได้สาธยายมาสักครู่นะพิจารณาดูก็จะพบว่าคนเราไม่จงเป็นต้องเกิดมาแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามกระแสเพื่อที่จะต้องเจอความทุกข์บีบคั้นแม้จะหวังว่า ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศนะจะช่วยทำให้เรามีความสุขได้นะแต่ว่ามันก็เป็นสุขชั่วคราวเท่านั้นเองสุดท้ายก็หนีความทุกข์ไม่พ้นแต่หนทางแห่งความพ้นทุกข์นั้นมีอยูนะ่เพียงแต่ว่าเราต้อง่อันมาดำเนินชีวิตนะ ทีพรเจ้าเรียกว่าทางสายกลางนะทางสายกลางก็คืออริมักมีองค์แปดทไมถึงเรียกว่าทางสายกลางก็เพราะว่าทางสุดตรงอีกสองทางนั้นเนี่ยนะเพราะว่ามันมีทางสุดตรงอีกสองทางที่ขนาบที่ขนาบหรือขนานซ้ายขวานะ ทางแรกทางสุดตรงท้งแรกก็เรียกว่าการเพลิดเพลินในการมาสุขนะการผัวพันธุ์อยู่ในการมาสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าก็เคยได้ประสบหรือได้เคยผ่านมาแล้วนะสมัยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะมีทุกอย่างเท่าที่จะสามารถปลนเปลืปลกิเลสได้ รูปรถกินเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็ถูกนำมานำเสนอเสพแล้วเสพอีกแต่ว่าก็ไม่พบความสุขที่แท้เลยอันนี้เราการสุขผลิการนิโยคอีกทางหนึ่งนะซึ่งเป็นทางสุดตรง ด้านะด้านขวานะก็คือการทรมานตนนะมันเป็นวิธีการที่ตรงข้ามกับการปลนเปลอือตนด้วยการมาสุขนะทางสุดตรงทางแรกนี่เรียกว่าปลนเปลอนะด้วยผัสสะด้วยอารมณ์ที่น่าพอใจ ส่วนทางสุดตรงอีกทางหนึ่งนะมันเป็นการทรมานตนอดอาหารกั้นลมหายใจนะยืนกลางแดดหรือว่านอนบนตอปูหรือว่ากินอุจจระวัวอุจจระควายอันนี้ก็คือสิ่งที่พูะเจ้าได้ทดลองมา หมดแล้วนะแล้วก็พบว่ามันไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์นะและพระงได้พบว่าทางสายกลางนี่แหละนะจะเป็นหนทางสู่อิสรภาพได้สู่การพ้นทุกข์สู่การพ้นจากวัตะสงสารในสมัยนี้เนี่ยคาว่าทางสายกลางเราก็คุณ คุณหูแล้วก็คุณใจดีแต่สมัยพุทธกาลนี่มันเป็นของแปลกใหม่มากนะเพราะว่าไม่มีใครนึกเลยว่ามันจะมีเส้นทางสายนี้นะที่จะเป็นนำพาไปสู่การพ้นทุกข์ได้ทางสายกลางนะที่ประกอบไปด้วยอรยิยมรรคมีองค์แปดเนี่ย นะถ้าสรุปง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญานั้นเองนะพวกเราคงรู้จักคําว่าไตรสิกขาไตรสิกขานี้ก็คือสิกขานี่แปลว่าศึกษาหรือการปฏิบัตินะสามอย่างก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลนี่เป็นเรื่องการฝึกกายวาจาส่วนสมาธิเป็นเรื่องการปฏิบัติทางจิตปัญญานี่ก็คือการปฏิบัติเพื่อทําให้เกิดปัญญาขึ้นมา ทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เกิดจักสุขขึ้นมานะบางคนก็รู้สึกว่าแปดองค์แปดประการนี้จำยากถ้าสุดย่อยๆก็เหลือแค่สามนะศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ว่าจะลงมือนะรักษาศีลได้เนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อที่ถูกก่อนต้องมีความเห็นที่ถูกก่อน เริ่มต่แต่ความเห็นว่าไอ้ทางสุดตรงสองทางนี้มันไม่มีทางพาเราพ้นทุกได้สมัยนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครคิดนะว่าไอ้การทรมานตนนี่มันจะพาเราพ้นทุกได้แต่อีกทางสายหนึ่งเนี่ยยังมีคนเชื่ออยู่เยอะเลยก็คือเชื่อว่าเนี่ยไอ้การหาสิ่ง เสพมาปนเปนิดตนหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัตินะเพื่อจะได้มีมีของอร่อยอร่อยได้ฟังเพลงได้เสพสุขได้สวมกระเป๋าได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมได้มีรถยนต์คันละหลายสิบล้านไอ้พวกนี้เนะี่ยจะเป็นหนทางแห่งความสุขได้ในยุคบริโภคนิยมเนี่ย ผู้คนก็หลงไปสู่การสุขาริกานุโยกเยอะนะการสุขาลิกานุโยกที่พระเจ้าปฏิเสธเมื่อสมัยถูกปีที่แล้วนี่ทุกวันนี้มันก็ยังเฟื่องฟูอยู่แล้วก็เฟื่องฟูหนักขึ้นด้วยนะผู้คนจํานวนมากก็ตั้งเป้าจุดหมายในชีวิตว่าเนี่ยขอให้รวยรวยแล้วก็รวยที่จริงรวยอย่างเดียวไม่พอนะต้องรวยกว่าด้วยนะ แม้จะรวยแต่ถ้าเห็นคนอื่นรวยกว่านี่ก็ทุกนะคนสมัยนี้ไม่ได้ปรารถนาแค่รวยแต่ว่าอยากจะรวยกว่าด้วยนะถ้าตัวเองรวยแต่รวยน้อยกว่าคนอื่นนี่ก็ทุกนะก็ต้องแข่งขันเพื่อจะรวยให้มากกว่าคนอื่นหรืออย่างน้อก็เท่าๆกันไอ้ความคิดว่ารวยเนี่ยจะทําให้ให้มีความสุขนะ ไม่มีความทุกนี้ก็เป็นการสุขาริการนิยมแบบหนึ่งนะแต่ที่จริงมันเป็นหนทางแห่งความทุกนะสมัยที่หลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะวัดสแกยุทธยาท่านยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งก็มีหนุ่มคนหนึ่งนะมากราบท่านปกติท่านชอบมานั่งอยู่หน้ากุฏิหนุ่มคนนั้นก็ บอกกับหลวงปู่ว่าเนี่ยเพิ่งไปเช่าพระอุปคุดมาราคาแพงทีเดียวหลวงปู่ก็ถามว่าไปเช่ามาทําไมก็ตอบว่าอยากรวยครับหลวงปู่ก็เลยเปล่อยขึ้นมาเบาวๆว่ารวยกับซวยนี่มัน ใ, นใกล้กันนะเขางงว่ามันหมายความว่ายังไงครับหลวงปู่ทีแล้วท่านก็พูดว่ามันเขียนคล้ายๆกัน แต่ตอนหลังท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเนี่ยจะหามามันก็ทุกนะคือว่าต้องเหนื่อยาการหาได้มาแล้วก็เหนื่อยาการรักษาเสร็จแล้วพอมันหายไปนะก็ทุกอีกนะคือมันเรียกว่าทุกทั้งขึ้นทั้งล่องนะทุกตั้งแต่เริ่มต้นหาหาแล้วไม่ได้ก็ทุกนะแม้หาได้สําเร็จ ก็ยังทุกข์กับการรักษากลัวคนมาแย่งชิงเอาไปนะต้องติดกล้องวงจรปิดต้องสร้างกำแพงนะต้องใส่ตู้เซฟนะไม่ต้องพูดถึงคนที่ไปคอร์รัปชันมายิ่งต้องอมีภาระมากขึ้นในการเก็บในการซ่อนนะ บางลายบอกไม่เอาเช็คจะเอาเงินสดนะเพราะว่าเอาเช็คแล้วมันตามหาได้นะกฎหมายฟ้องเงินตามไปถึงได้มีหลักฐานก็เอาเป็นเงินสดเอาเงินสดก็มีปัญหาเก็บไว้ที่ไหนจะฝังดินก็ไม่ได้นะเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านก็ต้องซ่อนให้ดีอย่าให้คนเนี่ยมาเปิดเห็น แต่เมื่อเคยมีนะเคยมีโจนี่มันเคยปล้นบ้านประหลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งเพรากว่าเจอเป็นเงินสดนี่หลายสิบล้านเลยคนไม่ได้แค่เจ็ดแปดล้านนะแต่สุดท้ายก็เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าโจรถูกจับได้มันก็เลยเปิดเผยว่าเนี่ยบ้านนั้นนี่มีเงินสดเกือบยี่สิบล้านเนะี่ยทไมเอาเงินสดเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่า ไม่รู้จะเก็บที่ไหนจเจาไปซื้อที่ก็ซื้อไม่ได้เพราะคนเขาไม่ขายไม่ขายที่ด้วยเงินสดนะอันนี้ก็เป็นภาระนะเป็นความซวยอย่างหนึ่งนะของคนที่หาเงินมาโดวยวิธีนี้สุดท้ายถ้าถูกจับได้ก็ยิ่งซวยหนักขึ้นนะที่หลวงปู่ดูบอกว่ารวยก็บซวยนี่มันมันน่าคิดทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเทสุดันก็เลยไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ให้ความมั่งมีแบบนี้นะเราต้องการปลนโปรต้นด้วยรูปลดกลิ่นเสียงที่น่าพอใจทางหลุดพ้นนะมันเริ่มต้น้วยการมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะว่าไอทางสองทางที่ว่ามาไม่ว่าจะเป็นการทรมานตนก็ดีหรือว่าการ แสงหาความมั่งมีปนเปลื้อตนด้วยวัตถุสิ่งเสพก็ดีมันไม่มีทางที่จะนำพาให้พบกับความสุขอย่างแท้จริงได้สามาทิทยยังมีความหมายว่าคือความเห็นชอบว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วยอมได้ชั่วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะว่าทำชั่วแล้วจะได้ดีนะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย สัมมาทิฏฐิคือความเชื่อเรื่องกรรมเชื่อว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์ก็เพราะกรรมที่ได้ทำไม่ใช่กรรมที่ทำเมื่อชาติที่แล้วนะมีคนเดี๋ยวนี้มีความเชื่อที่แพร่หลายมากว่าทุกสิ่งที่เราเจอในวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์นั้นเป็นผลจากกรรมเก่าในอดีตชาติ ป่วยก็เพราะอดีตตชาติป่วยเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติทํามาค้าขายไม่ขึ้นไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะกรรมในอดีตชาติเอไออะไรก็บอกว่าเป็นเพราะกรรมในอดีตชาติอันนี้ไม่ใช่เป็นคําสอนในพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าคําสอนนอกลัทธิพุทธศาคำสอนนอกพุทธศาสนานเนี่ยมี3มอย่าง อันที่หนึ่งก็คือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์เป็นเพราะกรรมแนอดีตถ้าเรียกว่าปุเ พ, ปเพกระตะเหตุว่าความเชื่อแบบนี้เป็นลทัทธิชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าปุเพกะตะเหตุว่าก็คือเป็นลทัทธินอกพุทธศาสนาอีกลทัทธินึงก็บอกว่าสุขหรือทุกข์ในเป็นเพราะการโดนบันดาลของพระเจ้าของเทวดานะสมัยนี้คงจะรวมถึงพระลาหูด้วยนะก็ ก็เลยเกิดประเพณีนะเกิดข่าวนิยมไปเส้นไหว้ไปบวงสรวงเทวดามากมายชื่อแปลกแปกอันนี้ก็เป็นความเชื่อนอกพุทธศาสนานะถึงแม้ว่าการบวงสรวงนั้นจะทำในวัดก็ให้รูวันนะไม่ใช่พุทธศาสนามีชื่อว่าอ ah นะิสวระนิมิตะเหตุวาสก็คือความเชื่อว่าสุขทุกข์เกิดจากการโดนบันดาลของ เทวดาหรือพระเจ้าถ้าเชื่อแบบนี้นะก็ไม่สนใจทำความดีนะก็เอาแต่เส้นสวงบูชาไปหาพระที่เขาเชื่อว่าขลังนะอย่างเช่นชายหนุ่มคนที่ว่านี่ก็ไปชอบพระอุปคุดมาเพราะคิดว่าจะทำให้รวยได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานนะอันนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า อีกอันนึงคือความเชื่อว่าสุขทุกข์นั้นไม่มีสาเหตุนะเป็นความบังเอิญไม่มีเหตุไม่มีผลทั้งสิน้นเป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นเรื่องความบังเอิญ น, นะถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่สนใจนะไม่สนใจที่จะเดินหรือปฏิบัติทางสายกลางนะ คนที่จะเชื่อแล้วก็พาตนดำเนินบนทางสายกลางเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิในข้อที่ว่าทางสุดตรงสองทางก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วก็มีความเชื่อว่ามีความเห็นว่ามันต้องทำความดีด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอริยมรรคแปเนี่ยเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิอันนี้เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะ ก็ต้องมีการดำริชอบคือการดำริที่นะไม่ถูกคร่อบงาด้วยความอยากคือตัณหานะความพยาบาทหรือความมุ่งร้ายนะเพราะถ้าคิดแบบนี้หรือถูกคร่อบงาด้วยกิเลสแบบนี้เนี่ยมันก็ทำความดีได้ยากนะมันทุกข์ตั้งแต่คิดแล้วละ่ะนะแค่คิดด้วยตัณหานี่มันก็ทุกข์ลว อยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยเพียงแค่อยากนี่นะมันก็ทุกข์แล้วนะเพราะว่าพอมีความอยากขึ้นจิตใจก็รุ่มร้อนพอมีความอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้โทรศัพท์อยากได้แก้วแหวนเงินทองอยากได้ตำแหน่งมันก็ทุกตอนนั้นทันทีเลยเพราะว่าคนเราอยากสิ่งที่เราอยากนั่นก็สิ่งที่เรายังไม่มีสิ่งที่เราอยากคือสิ่งที่เรายังไม่มี นะพอรู้ว่าเราไม่มีนะั่นไม่มีนี่นี่มันมีมันเป็นทุกข์เลยนะไอตอนที่ไม่อยากนี่ก็มีความสุขสบายดีแต่พออยากปุ๊บนี่ก็จะรู้สึกว่าฉันยังไม่มีโน่นฉันยังไม่มีนี่แค่ความคิดแบบนี้ก็ทุกข์แล้วนะไอความพยาบามก็เช่นเดียวกันความพยาบามคือความโกรธนะอยากจะทำร้ายเขา และถ้าวางแผนคิดทำร้ายเขาจริงๆนะอันนี้ก็ยิ่งทุกเข้าไปใหญ่้คนเราทุกเพราะความคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความดำริชอบนี่ก็สำคัญเหมือนกันในการที่จะนำพาเรานะให้เจริญในอริมารมีองค์แปด คนเรานี่ถ้ามันมีความคิดมุ่งร้ายนะมันไม่อยากจะทำความดีนะมันไม่สนใจที่จะรักษาศีลนะหรือว่าถ้ามีตันหามากงนี้ก็ใ้การที่จะรักษาศีลข้อที่สองคือไม่ขโมยอธินนาทานนี่ก็ยากนะถ้ายังมีความโรคความอยากความมุ่งถ้ามีความโรคถ้าไม่ถ้ามีความพยาบาทความมุ่งร้ายเนี่ยรักษาศีลข้อที่หนึ่งก็ยากนะ ปณนติบาทเพราะนั่นเนี่ยการที่คนเรานี่จะเจริญในองค์มรรคได้เนี่ยคือเริ่มต้นที่จะทําความดีนี่นะมันต้องมีความเชื่อมีความเห็นที่ถูกแล้วก็มีความดําเริดที่ถูกด้วยเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมมาสังคปปะเนี่ยจึงเป็นสองข้อแรกนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนําไปสู่สัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะก็คือนะสี่ห้านั่นแหละนะ แต่ท่านท่านตัดมาเหลือแค่สามข้อแรกนะคนเราเนี่ยจะจะมุ่งมั่นในการทำความดีเรื่องตั้งแต่มีสัมมาวาจาพูดจริงไม่พูดเท็จไม่พูดจาสเสียดนะแล้วก็ประสงค์ที่จะมีอาชีพที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งหมายถึงการไม่คอร์รัปชันไม่โกงไม่หลอกลวงรวมทั้งไม่ผัวภรยในอบบยมุ่งเนี่ย ก็พรมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะนะเป็นจุดเริ่มต้นคราวนี้พอกายวาจาได้รับการอบรมนะเพราะด้วยสัมมาวิจาด้วยสัมมากัมมันตัด้วยสัมม า, า, า, ม า, ม า, มาชีวะแล้วตอนนี้ก็เข้ามาฝึกใจแล้วนะเริ่มด้วยสัมมาวาามิญมะสัมมาวาิญามะคือความเพียรพยายามความเพียรพยายามนี่ต้องอาศัยใจนะใจสู้ใจใจที่ไม่ยอมท้อถอย นะใจที่อดทนนะจึงจะทำให้เกิดความเพียรที่ชอบได้แล้วคนนี้ก็มาเจริญนะสร้างสัมมาสติและสัมมาสมาธิทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะเป็นตัวบ่มเพาะให้ปัญญาเกิดช่วยทำให้สมมาทิทฐิเนี่ยเป็นมีมีมีการพัฒนาเป็นความเห็นชอบที่ ละเอียดประณีตมากขึ้นจนถึงขั้นนะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยนะเรียกว่ารู้ว่ากายและใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าล่าสักกายทิฐิได้ถ้ายังมีสักกายทิฏฐิคือความเห็นความหลงว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเรามันก็ยังเรียกว่าไม่ใช่สัมมาทิฐิที่ที่ที่ถูกต้องบริบูรณ์นะ วพวกเราในที่นี้เนี่ยก็จะมีสัมมาทิฐิในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปก็ยังมีจะเรียกว่ามิจฉาทิฐิก็ได้ก็คื อ, อยังเช่นความเชื่อว่าไอ้กายและใจนี่เป็นเราเป็นของเราร่างกายนี่เป็นของเราใจนี่เป็นของเราแต่ถ้ามาเป็นของเราจริงเนี่ยก็ต้องห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะห้ามไม่ให้เป็นอมภพอมภะได้สั่งให้มันวิ่งได้นะ คนแก่นี่สามารถสั่งให้ร่างกายวิ่งได้เหมือนกับตอนที่เป็นยังหนุ่มถ้าทำได้งั้นจริงเรียกว่าร่างกายนี้เป็นของเรานะใจนี่ถ้าเป็นของเราจริงก็สั่งให้มันหยุดโกรธได้สั่งให้มันหยุดฟุ้งซ่านก็ได้เวลาจะนอนก็บอกว่าให้มันสงบสักทีฉันจะนอนแล้วก็สั่งได้แล้วเราสั่งได้ั้ยทำไมเดี๋ยวนี้คนมีปัญหามากเรื่องนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะอะไรนะ ไม่ใช่เพราะตามันค้างแต่เพราะใจหลางหักนะที่มันฟุ้งซ่านมันคิดไม่หยุดสั่งให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดนะยิ่งสั่งให้มันหยุดมันยิ่งพยศยิ่งต่อต้านยิ่งขัดขืนเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ายังเห็นว่าใจเป็นเรากลายเป็นเราเนี่ยเป็นของเราก็ยังเรียกว่ า, ย, กก ย, นะายังมีสักกายทิฐินะถ้ามีสักกายทิฐิก็ก็ยังเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิได้นะ ก็คือยังมีความเห็นที่เจือไปด้วยอวิชชาแต่ว่าเราจะเห็นเราจะรักษาไอ้ที่ดได้ก็เพราะการเจริญสตินะการเจริญสัมมาส ม, มาธิและเมื่อเราพูดง่าคือภาวนานั่นเองนะภาวนาหรือวิปัสสนาและถ้าเราไม่เพียงแต่ทำความดีด้วยการมีสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตะแต่เราพยายามฝึกใจใหเห็นความจริง ปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นทางสายกลางได้ละเอียดมากขึ้นทางสายกลางที่ทางสายกลางที่เรารู้จักนั่นก็คืออริยมรรคมีม่องแปดก็คือทางที่ไม่ใช่การทรมานตนหรือการพัวพันในกามส่วนใหญ่ทางสุดโต่งสองทางเราเห็นแค่นั้นแหละเรารู้จักแค่นั้นแหละแต่จริงทางสุดโต่งเนี่ยมันยังมีละเอียดกว่านั้นนะซึ่งเราจะเห็นได้เนี่ยเราจะ เข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราได้เจริญภาวนานะส ม, มาสติส ม, มาส ม, มาธิก็จะเห็นว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ทุกวันนี้เราไม่ได้ไปผัวพันกับการสุขาลิการนิยกแล้วเราไม่เราเราไม่เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเพลย์บอยนะเอาแต่เที่ยวสนุกสนานเราไม่ใช่คนที่ทรมานตนด้วยด้วย อ, อย่างพวกโยคีหรือสีชีพัยแต่เราอาจจะยัง หลงอยู่ในทางสุดตรงที่มันละเอียดกว่านั้นได้เช่นเวลาสุกก็สุกจนเวลาเจออารมณ์ที่น่าพอใจก็เคลิบเคลิมหลงไหลนะเช่นดูหนังฟังเพลงมันเพราะนี่ก็ห้ามใจไม่อยู่ก็ต้องขยับเท้าส่ายเอวนะเพลินะไปกับความเพลินไปกับความสนุกสนานหรือเพลินไปกับอารมณ์ที่น่าพอใจ ใครชมเราเราก็ปราบปลื้มยินดีนะคือเพลินในสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางสุดตรงอีกทางหนึ่งนะที่มันละเอียดกว่าเดิมอีกอันนึงคือการจมอยู่ในทุกขการจมในทุกนะเช่นความโกรธความเศร้าความเสียใจเวลาถูกคนตนําหนิตีเตียนก็หงุดหงิดไม่พอใจแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์นั้นเวลาเงินหายนะรถ ถูกขโมยไปหรือว่าสูญเสียคนรักก็เศร้าจมอยู่ในความเศร้านั้นถ้าจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในอารมณ์เศร้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตกิรมฐานนโยโได้เหมือนกันนะแต่มันเป็นอัตตกิริมฐานนิยคแบบละเอียดนะซึ่งเราจะไม่เข้าใจนะจนกว่าเราจะได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราพบรู้จักรักษาใจให้เป็นปกติได้ เจออารมณ์ที่น่าพอใจก็ไม่เคลิบเคลิ้มไม่ฟูเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ไม่จมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นไม่แฟบนะตราดได้ที่ยังเพลินในสุขจมในทุกนะก็ยังเรียกว่ายังพลัดอยู่ในทางสุดโต่งได้หรือว่าเวลาเราปล่อยใจไปตามกิเลสนะปล่อยใจไปตามกิเลสนี่นะอันนี้ก็เรียกว่าพัวพันในกามได้นะ โดยเฉพาะกิเลสที่อยากได้โน้นอยากได้นี่ที่เป็นวัตถุสิ่งเสพน่าพอใจแม้เพียงแค่ฝันฝันกลางวันอยากได้โนอนอยากได้นี่เพลินใจไปตามกิเลสนี่ก็เป็นทางสุดตรงอันหนึง่งหรือว่าพยายามกดข่มอารมณ์ความรู้สึกพยายามกดข่มอารมณ์ความรู้สึกนี่ก็เป็นทางสุดตรงอีกทางหนึ่งนะที่มันอยู่ในหมวดประเภทการสุขล อ, อัตตกิลมถานุโยคคือการทรมานตน นะบีบคั้นไม่ใช่แค่บีบคั้นกายแต่บีบคั้นใจบีบคั้นใจด้วยการกดข่มอารมณ์ความรู้สึกนะอันนั้นก็เรียกว่าทรมานตนนะแต่ถ้าไม่บีบคั้นแต่ปล่อยใจไปตามกิเลสไม่ว่าจะเป็นความอยากได้คือตัณหาความโกรธปล่อยมันไม่เต็มที่เลยแม้เพียงแค่ความคิดนะมันก็เรียกว่าเป็นการผัวพันในกามได้ เห็นไม่ว่าไอ้ทางสุดโต่งเนี่ยมันมีทั้งหยาบแบบหยาบบแล้วก็แบบละเอียดไอ้แบบละเอียดนี่เราจะไม่เข้าใจนะจนกว่าเราจะได้ได้ภาวนาได้เจริญในสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือเวลาปล่อยใจลอยไปตามความคิดนะอย่างเช่นขณะที่เรานั่งฟังนี่ปล่อยใจลอยนะไปตามความคิด อันนั้นก็สุดโตงอันนึงนะหรือการพยายามที่ไปกดข่มบังคับห้ามความคิดอันนั้นก็สุดโตง่งทางหนึง่งบางคนสงสัยว่าถ้าไม่ห้ามความคิดแล้วจะทำยังไงความคิดมันไม่ดีอะ่ะมันเป็นความคิดชั่วทางสายกลางคือว่ามีสติรู้ทันเห็นมันเห็นมันไม่ใช่กดข่มมันมีความโกรธก็ไม่ใช่ปล่อยปล่อยไปตามปล่อยใจไปทำความโกรธ แต่การกดข่มมันก็ไม่ใช่ทางเหมือนกันมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ทางสายกลางที่ที่ประณีทางสายกลางคือรู้ทันอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้การเห็นทุกข์ด้วยคนเราเนี่ยเวลาเจอทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เลยนะเพราะไม่รู้จักเห็นทุกข์ เวลาเจอทุกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นทุกข์เสมอไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีสติเราก็เป็นทุกข์เช่นปวดเช่นเมื่อยตอนนี้นี่นะถ้าไม่ถ้าส่วนใหญ่ก็ปล่อยใจจนกระทั่งเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยแทนที่เราจะเห็นความปวดความเมื่อยว่ามันเกิดขึ้นกับกายมันเกิดขึ้นที่เท้าที่ขาของเรา ถ้าไม่เจริญสัมมาจะไม่เจริญสติก็จะไม่เข้าใจว่าเอ้การเป็นทุกข์กับการเห็นทุกข์นี่มันต่างกันอย่างไรนะพระเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสีเนี่ยนะเราก็รู้ใช่ไหมว่าอริยสัจสีคือทุกขสมุทัยนิโรธมากแต่ที่จริงเนี่ยในโอวาทปาติโมะในธรรมจักกัปวัตนสูตรเนี่ยซึ่งเราสาธยาเมื่อสักครู่เนี่ยท่านยังพูดนะถึงอีกถึง ท่าทีที่ควรเกี่ยวข้องกับธรรมะแต่ละข้อในอริยสัจสกล่าวคือทุกเนี่ยนอกจากเราจะต้องรู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะความแก่ก็เป็นทุกความป่วยก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกเพระภัยสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกนั่นเรารู้แล้วว่าทุกคืออะไรแต่เราต้องรู้นะว่ากิจที่ควรทํำ หรือท่าทีที่ควรมีต่อทุกข์คืออะไรพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดธรรมะหมวดหนึ่งนะในปฐมเทศนาก็คือว่ากิจในอริยสัจกิจในอริยสัจก็คือว่าสิ่งที่ควรทําท่าทีที่พึงมีต่ออริยสัจแต่ละข้อเช่นทุกเนี่ยนะพระองค์ตัดว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้กําหนดรู้นี่ภาษาบาลีท่านใช้ว่าปริญญานะ สิ่งที่ควรกําหนดรู้ก็คือปรินเยยยะปรินเยยยพันตินะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เนี่ยเราไปเราไปเข้าใจว่ากําหนดรู้คือการเพ่งนะแต่คว่าปริญญาเนี่ยมันแปลว่ารู้รอบนะปริญเยยยยันติเนี่ยนะ ถ้าแปลให้ดีคือสิ่งที่ควรรู้รอบหรือสิ่งที่ควรเข้าใจให้ทั่วถึงนะเริ่มตั้งแต่รู้ว่าทุกเกิดขึ้นกับกายกับใจและเราเห็นทุกนั้นแทนที่จะเป็นทุกนะถ้าเราไม่ไม่ไม่เจริญนะสติไม่รู้จักสัมมาสติเนี่ย เราจะไม่สามารถที่จะเห็นทุกข์ได้เราไม่เราจะไม่สามารถที่จะรู้ทุกข์อย่างทั่วถึงได้ทุกข์ไม่ได้มีไว้เป็นนะเราก็ทุกข์ไม่ได้มีไว้โกรธด้วยทุกข์ไม่ได้มีไว้เกลียดบางคนบอกว่าเนี่ยเกลียดทุกข์เหลือเกินอันนี้ก็ไม่ถูกนะคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเกลียดไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ให้ทั่วถึง เราจะลุยโทถึงได้เราต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็พิจารณามันด้วยสตินะี่ถ้าเราเข้าใจถ้าเราศึกษาใคร่ควรวญนะธรรมจักรกับพัฒธนสูตรอย่างที่เราสาธยายมาเนี่ยนะเราจะพบวิธีในการที่จะรับมือกับความทุกข์เราจะพบวิธีในการที่จ ะ, เ ก, เ, จ ะ, กจะ เ, เกี่ยวข้องกับความทุกข์อย่างถูกต้องทุกวันนี้เนี่ยพอเจอทุกข์นี่เป็นทุกข์เลยนะ ไม่ว่าทุกข์มันจะมาในรูปไหนก็เป็นทุกข์นะก็คือว่าทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจนี่เป็นไปได้นะทำได้นะเสียแต่ของแต่ใจไม่เสียนี่ทำได้นะโกรธนะความโกรธเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นผู้โกรธนะอันนี้ทําได้นะมีทุกข์เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นผู้ทุกข์นี่ทําได้นะ แต่ที่จริงความจริงเป็นอย่างนั้นนะผู้เจ้าตรัสว่ามีความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกแต่ว่าเพราะความหลงนั่นแหละมันทำให้เกิดความสำคัญมั่หมายเป็นผู้ทุกข์ขึ้นงนั้นถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ภาวนาน ะ, จะเจริญสติเราไม่ใช้สติเข้ามามาดูทุกเพื่อให้รู้จักทุกอย่างทั่วถึงรู้รอบที่ใช้ท่านใช้คำว่าปริญญา เราก็ยังจมอยู่ในความทุกข์ต่อไปและเราอประตูแห่งความทุกข์มันก็จะปิดทันทีเลยนะเอาประตูแห่งความพ้นทุกข์ก็จะปิดทันทีแต่ถ้าเราเริ่มรู้จักที่จะเห็นทุกข์เริ่มรู้จักที่จะคลายครวญความทุกข์พิจารณาความทุกข์ประตูแห่งความพ้นทุกข์ก็จะเริ่มเปิดทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะ สิ่งที่ต้องละคือสมุดไทยสมุดไทยก็คือตันหาอาวิชานั่นคือสิ่งที่ต้องละนะส่วนทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะรู้ให้ทั่วถึงนะปริญญาหรือปริญญยยะยันติเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้ทั่วถึงถ้านะเพียงแค่เราเข้าใจนะเข้าใจด้วยการไข่ควรตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยทาให้เรา รับมือความทุกข์ได้ดีขึ้นนะและนั่นแหละคือนะคือจุดเริ่มต้นนะของการพ้นทุกขนะ์แม้ว่ายัางต้องเกิดต้องแก่แม้ว่ายังต้องแก่ต้องเจ็บต้องพัดผ้าสูญเสียแล้วต้องตายนะแต่ว่าจิตใจสามารถที่จะหลุดจากความทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้แล้วก็ฝากไว้พิจารณานะที่จริงในพระสูตรนี้เนี่ยมี ข้อที่พึงพิจารณาใคร่ควรเยอะมากนะแต่ว่าที่พูดมานี่ก็เพียงเพียงแค่การเอาบางประเด็นที่สำคัญนี่มามาให้เราได้พิจารณาเพื่อนำไปใช้กับชีวิตเพื่อไปรับมือเอาไปใช้ในการรับมือความทุกข์ซึ่งเราต้องเจอนะไม่ช้าก็เร็วหรือกาลังเจออยู่แล้วก็ได้นะคำนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้